ส่วนสานธารณบริษัททั้งหลายวันนี้วันที่บันทึกนี้ก็ยังเป็นวันที่ยี่สิบห้าธันวาคมสองพันห้าร้อยสามิเอ็ดเป็นการบันทึกตอนที่หกของหนังสือเล่ม ท, ที่ห้าเรียกว่าหนังสืออันเล่นเขียนโดยศสองสวรรณแต่ว่าเวลานี้เขียนไม่ไหว ตาไม่เห็นเส้นไม่นน้ำมึกก็เลยต้องบันทึกแทนทึกเสียงแทนให้เจา้จ า, าที่เจ้าหน้าที่รอบเป็นตัวหนังสือก็เป็นว่าตอนที่แล้วเรื่องมาขาดตอนลงที่เรื่องของเราเรื่องราวของท่านพลลยเอกกรมหลวงชุมพรเขตอดุดมศักดิ์ว่าท่านเป็นเทวดาที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ เชื่อท่านจริงๆมีความเคารพจริงๆขอย้ำตอนนี้นะบรรดาท่านบุกฟังถ้าเชื่อไม่จริงเคารพไม่จริงจะลืมว่าท่านเป็นเทวดาท่านรู้ความรู้สึกของคนท่านจะไม่ยอมเชื่อท่านจะไม่ยอมช่วยแม้ว่าเป็การช่วยเหลือเขาบนกันทุกอย่างเป็นการช่วยเหลืออาตมาจะนำเรื่องมาคุยฟัง อาตมาก็เคยบน่นแต่ถ้าว่าให้บน่นให้คนอื่นเขาบน่บนบ่นเพื่อช่วยเขาท่านก็ช่วยได้ถ้าไม่ลืมเรื่องนี้ก็จะนำมาเล่าให้ฟังเพราะไม่ได้บันทึกมาเป็นอันว่าครั้งหนึ่งเอาครั้งสำคัญเสริมสีสงศิริเธอมีความครบในกํมหลวงผ่อนมากมีอะไรขัดข้องเธอก็บน่น ด้วยการบนทุกอย่างของท่านมีผลทุกคราวคนนี้มีความเรื่มใสามากต่อไปเมื่อคนอื่นมีทุกข์ต้องการให้แทงกรมหลวงช่วยก็มาขอร้องให้เสือมสีบน่นเมื่อตนเองจะบนก็ไม่แน่ใจว่าท่านจะช่วยหรือไม่ช่วยทําผิดหรือทำถูกจิตใจในเคารพแน่แต่เกรงว่าจะผิดระเบียบ จะเสริมสีก็ช่วยบนให้แล้วก็มีผลตามนั้นทุกครั้งเป็นที่น่าอาศัศจรรย์นี่ใครว่าผีช่วยไม่ได้เทวาดาช่วยไม่ได้และบรรดาท่านอะไรไม่จริงก็คนมันไม่ดีเทวดาท่านจะช่วยอย่างไงเทวด า, าเทวะพระผู้ประเสริฐท่านจะเป็นเทวดาได้ธรรมะเบื้องต้นของท่านีปฏิบัติได้ขั้นแรกก็คือฮีรลโดตัปปะ ก่อนจะตายมีความรู้สึกตัวเกรงกลัวผลของความชั่วอายความชั่วเวลานั้นจิตเป็นกุศลธรรมตายจากความเป็นคนจึงเป็นเทว ด, ดาแต่ในเมื่อคนที่จะไปใช้ท่านและต้องการจะเห็นท่านต้องการท่านช่วยในเมื่อคนนั้นเมืองยา ม, มันยังนิยมความชั่วไม่อายความชั่วไม่เกรงกลัวผลความชั่ว เป็นคนเลวเทวดาแล้วผู้บวเสร็จผู้บวชเสด็จก็ไม่กล้าสู้คนเลวไม่กล้าช่วยคนเลวเพราะเกรงว่าจะเลวไปด้วยอย่างนี้คนเลวบ่นไม่ได้ผลบอกกันเสก่อนนะวิธีบ่นที่แรกคือบ่นกับตามความชอบใจต่อมาจะมาถามท่านก็ขอพูดกันตรงไปตรงมาว่าเคยคุยกับท่าน นะท่านก็มหลวงยคอนนท่านมาเห็นเป็นประเป็นปกติแล้วก็ขอร้องให้ท่านช่วยอะไรท่านก็นช่วยตามกํากลังของเทวดาที่เป็นช่วยได้อย่าไปเกณฑ์เทวดา ท, ทุกอย่างถ้าเกณฑ์ว่าขอเทวดาจงบอกหวยให้อันนี้ไม่ได้เกณฑ์ได้เทวดาเขาไม่ช่วยอย่าแต่มานี่ขอพูดให้ฟังท่านปูใหญ่คือสามโมรีพรม เดิมทีเดียวเมื่อท่านเป็นพระในหลายพันห i, ลายร้อยปีมาแล้วอา จ, จะเป็นเกือบทันพันปีมาแล้วท่านเชื่อสิงห์เป็นพระสงสมาบัติขั้นสูงนี่ก็เป็นพระอารียเจ้าต่อมาขณะที่ท่านเป็นสามปติกรเป็นสัมดีพรมขณะเป็นรองไปถามเรื่องหวยท่านนี่ท่านเอาเรียงเบอร์มาให้อ่านเลย อ่านเรียงเบอร์อันนี้ทุกรางวัลเหมือนกับที่เราพิมพ์เนี่ยภาพไปเห็นแต่ถ้าบอกว่าห้ามบอกใครนะโดยควาจริงสังเกตุแล้วว่าถ้าไม่บอกที่ตรงทุกทีถ้าบางครั้งท่านจะบอกว่าพูดได้เท่านี้นะถ้าพูดเท่านั้นมีผลถ้าพูดเลยไปตัวเดียวแล้วแต้มเดียวแล้วประโยคเดียวจะไร้ผลทั้งหมด เวลานี้ถ่าอเลยขอร้องบบลเสร็จโอกเอางี้ก็แล้วกันอยากจะรู้จะให้รู้แต่ห้ามพูดแต่ติดขาด <c oughs> <c oughs> ก็เลยเป็นว่าไม่รู้ซะดีกว่ารู้แล้วพูดไม่ได้หมอตัดใจนี่มาว่าทั้เรื่องกลมหลายพร อ, พอรกันดีกว่าวิธีบ่นบรรดาแทนบริษัทฟังแล้วอาจจะบ่นกันบ้างวนก็คือหนึ่งข้าวปากหม้อ ทำมาข้าวปากหม้อทีไหมความข้าวปากหม้อทียังไม่เป็นเด้งไขตักมาหนึ่งถ้วยรายการที่สองหมูต้มหมูธรรมดาต้มประมาณสักครึ่งกิโลถ้าจนจนมากก็ชิ้นเดียวจให้เล็กนักละรายการที่สามก็ไก่ต้มถ้าจนมากมีทุนน้อยก็ไม่ต้องถึงตัวเอาชิ้นก็ได้แต่คนมีทุนมากต้องเอาถึงตัว ยาขี้เหนียวนะขี้เหนียวเทว ด, ดาไม่ช่วยต่อมาก็ทองหยิบไฟทองอย่างแล้วก็อย่างและถ้วยเล็กๆ ก, ก็ได้สองสามอันก็ได้นะแล้วต่อมาก็ขนมจีนน้ำพริกเท่านี้ก็พอแล้วแต่ว่าตามพิธีกรรมถ้าจะบนท่านให้ใช้ของทั้งหมดที่ก่อนเวลาบนถวายก่อน เวลาถวายเ่านหมดว่าเวลาตอนเช้าให้ใช้เวลาก่อนสองโมงเช้าสิบนาทีแต่ก่อนหน้านั้นนิดหน่อยก็ได้แต่ย้ายถึงสองโมงเช้าถ้าจะแก้ตอนบ่ายตอนเย็นให้ใช้เวลาสามโมงเย็นแต่ก่อนเวลาสามโมงสามโมงเย็นถึงสิบนาทีเรื่องเหล้ายาปราปิ้งไม่ต้องใช้กันเวลานี้ท่านเป็นวีรุนหกเมื่อก่อนเป็นวีรุนหก ชอบให้เขาแก้บนด้วยน้ำตาลเมาแต่เดี๋ยวนี้บอกไม่เอาแล้วลูกน้องมันมากเดี๋ยวลูกน้องมันเมามนุษย์จะมีความลําบากเทวดาเมานี่ยุ่งแต่ความจริงเทวดาถ้าไหนกินน้ำตองน้ำตาลทศว่ากันเรื่อยเฉยไปเป็นสั ญ, ญลักษณ์ว่าสมัยเป็นคนชอบอะไรก็ขออย่างนั้นที่มาเรื่องการบนที่มีผลเป็นพิเศษ ทำให้เทวดาลำบากคือช่วยเขาแล้วเทวดากับลำบากคนบนมีความสุขแต่เทวดามีความทุกข์นั่นก็คือว่ามีนายตำรวจท่านหนึ่งเป็นร้อยตำรวจ โ, โทคนนี้เป็นเมือปลัดแต่อยู่ที่ไหนก็ไม่บอกละเวลานี้ก็เป็นพันเอกหเป็นคนรุ่นเดียวรุ่นราวเขาเดียวกันเขาปฏิพนธ์กันหมดแล้ว ก็เกรงว่าจะขยายไปนานแล้วเข้าใจว่าจะเป็นในคนไปแล้วถ้าตามระอายุและุาการเห็นเพื่อนเพื่อนกันคนไล่ไล่กันเวลานั้นเวลานี้ก็เป็นพลตรีพลโทไปแล้วแต่ท่านผู้นี้จะเป็นขั้นไหนอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันท่านผู้นี้ก็ไปจับโจรร้ายคนหนึ่งคนนี้ร้ายปล้นฆ่าปล้นไม่ปล้นฆ่าบางปล้นไม่ฆ่าบางแต่ปล้นแหน่ ไปจับมาแล้วคนนี้ก็ติตตระรังต่อมาลูกสาวของท่านบุคคล น, นี้เจ็บใจเพราะร้อยตำรวจโทรคนนี้มาจับพ่อติตตระรัง <c oughs> ให้นั่นมันเป็นเรื่องธรรมดาจะให้เขามีเหตุมีผลบอกว่าพ่อของเธอไปปล้นเขาเขาจับติตตารางเป็นการถูกต้องอย่างนี้เราพูดกันได้แต่ว่าลูกกับพ่อย่มีความรักกันจะมีความหวังดีในกัน เขาเยอะโกย์คนที่จับพ่อเขาก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่น่าตำหนิตำหนิก็ไม่มีผลแต่เธออายุอย่างน้อยอยู่ประมาณสิบหกปีกำลังสวยก็เรียกว่าสวย ค, คนคนรูปร่างค่อนข้างสวยถ้าประกวดนางงามไ ด, ได้เป็นที่หนึ่งของคนรักแน่ถ้าผู้ชายคนไหนรักคนนั้นก็ให้ที่หนึ่งชนะเลิศ แต่คนนี้ก็น่าตาน่ารักผิวพรรณดีรู้สึกว่าโซทรงก็ดีโซ่แกก็ดีเธอก็ไปสมัครเป็นหญิงโสเพณีก็เรียกว่าโสเพณีแก้แค้นไม่ใช่โสเพณีสมัครเล่นหรือไม่ใช่โสเพณียาชีพโสเพณีในต่างจังหวัดเวลานั้นก็ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน เป็นแตเพียงมีบ้านหรือมีห้องแถวที่เขารับหญิงค่าประเพณีเข้าไปแล้วเขาก็รับสมัครเมื่อเธอเข้าไปแล้วก็เป็นเรื่องธรมรมดาใครเข้าไปก็รับแขกแตดงก็ได้อันนี้ก็เห็นใจเธอการแสด ง, งก็ได้แต่ว่าสิ่งที่เธอต้องการนั่ น, นคือต้องการจะแก้เผ็ดในตํารวจคนนี้ก็หาอาจารย์ หาครูบาอาจารย์มาทำไสยศาสตร์เรียกว่าทำเสน่ก็แล้วกัน <c oughs> แล้วก็หาทางให้คนแมนมาแนะนำกับนายตรวจคนนี้ว่าหญิงสาวคนนี้เข้ามาใหม่ใหม่เอี่ยมจ๋องไม่เคยผ่านงานอย่างนี้มาแต่ก่อนแต่สายว่าพ่อตายไม่มีใครเลี้ยงก็มีความจำเป็นต้องทิศตัวเพื่อเงินชั่วคราว แล้วเธอก็จะเป็นอยู่ไม่นานเพราะได้สสดงพอเธอก็จะเลิกแต่ว่าท่านนายตำรวจคนนี้ย่องย่องเข้าไปจะดีมากท่านนายตำรวจยังหนุ่มได้ข่าวอย่างนั้นเขเข้าไปแต่เขาพอเข้าส่งข่าวไปมิเศตินะว่าถ้าหากว่าเป็นตํารวจล้วฟรีทุกอย่าสามารถจะเหมาคืนเหมาเป็นวันๆกันได้เลย เป็นแต่เพียงว่าถ้าหากว่าจะมีสตังจ่ายค่าอาหารประจหวันแค่ข้าวรักแกงให้เธอได้กินในอิน่มอย่างนี้เหมาได้ตลอดการเท่าไรกี่วันก็ได้เป็นเดือนก็ยังได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นนายตนรวจเธอจะชอบมากท่านนายตำรวจคนนี้ทราบก็ยินดีในเรื่องเนื้อสดนี่ยังไม่ต้องต้ม อย่างนี้สดแท้แทเนื้อสดประเภทไม่ต้องต้มในรสโอชะท่านก็ย่องเข้าไปเธอก็ต้อนรับขับซู้เป็นอย่างดีนัดหมายกันแล้วมีแม่เสือมาติดต่อกับนายตำรวจเธอก็จัดห้องจัดถัดทีดีแม่สีก็ช่วยห้องจัดเสื้อสวยเรียบร้อยเสียค่าเช่าห้องเป็นพิเศษเธอเสียเองแคอพักพูด้วยกัน พวกชาบ้านในการที่เป็นญาติกันเขาช่วยพอท่านนายตารวจคนนี้เข้าไปอาศัยมหาเสน่ที่เธอจ้างเขาทำมีผลมากเป็นเหตุให้ในายตารวจคนนี้ลุม่มหลงไม่มาทำงานขาดงานไปเกินกว่าสิบวันหวงรับกลองให้ตารวจไปตามก็ไม่มาผู้กำกับให้ตารวจไปตามก็ ม, มาไม่ยอมออกจากห้อง ความจริงเนื้อสดชิ้นนี้น่นาเขาจะโอชะมากเกินในที่สุดบรรดานายตำรวจก็ดีบรรดาผู้ปกครองพ่อแม่ก็ตามพี่น้องก็ตามก็สงสัยคิดว่าอย่างนี้ต้องออกอะไรเกิดการแน่เหตุผลเป็นวาอย่างไงยัง ไ, ง ไ, งไม่ทราบเด็กสาวคนนี้ก็เป็นเด็กสาวธรรมดาธรรมดารูปร่างหน้าตาน้าสวย แต่คนภายนอกที่สวยยันนั้นก็มีสวยกว่านั้นก็มีที่ได้ตรวจคนนี้ผ่านมาแต่ไม่หลงไหลฝ่ายฝันขนาดนี้ในที่สุดก็หมดทางแก้ไปหาพระแก่พระก็แก่ไม่ออกไปหาครูบาอาจารย์ที่ไหนแก่ก็แก่ไม่ออกไปหานักพยาสายแก่ก็แก่ไม่ออกสายสายแก่ก็แก่ไม่ออกวันที่สุดเข้ามาหาเสริมสี เอาได้ขาวว่าเสริมสีเป็นลูกซิกรมลุญยพรเธอคงจะแก้ได้หมาเธอเธอก็เห็นใจอ่อนจะช่วยแก่เธอก็บอกว่าแก้ได้แต่ไม่ได้ก็เสแล้แต่สมเด็จเตียเขาเรียกการสมเด็จเตีย <c oughs> เพราะว่าเสริมสีเป็นลูกเจ็บก็เรียกว่าสมเด็จเตียก็ถูกต้องเตียคือพ่อพก็คือเตีย เธอก็จัดพิธีบนให้เขาจัดของเพื่อบนท่านเมื่อบนเสร็จ <c oughs> ก็บนขอให้ไปตามนายตำรวจคนนี้ออกมาจากซ่องคำว่าซ่องก็คือซ่องพิเศษถ้าขอโประทราบว่าประานที่จัดที่แห่งนี้ในะบรรดาท่านผู้ฟัง <c oughs> มันไม่ยด่ซ่องดีเซเพณีอยู่กันโซเพนีอยู่กัน เดิมที่เดียวเธอมาอยู่กับเขาเพื่อประกาศตนเป็นโสเพณีหลักฐานที่ต้อนรับนายตํารวจคนนี้มันเป็นบ้านเขาจัดห้องหับที่บ้านของเธอเองทําเบรนีเพื่อเศษให้จะให้บุคคลเห็นว่านายตำรวจคนนี้ไม่ได้เข่าสองเขาให้เกียรติมากเ <c oughs> ริ่มความมาเสริมสีเทิดเบญน์ผลที่ได้จริงๆคือบนแล้ววันที่สาม นายตนรวยคนนี้ออกมากลับเข้ามาทำงานตามเดิมเมื่อเขาถามผลกันท่านก็ตอบว่าก็ไม่ทราบว่ามันเป็นยังไงมีความหลงไหลไฝ่ฝันจริงๆก็สรุปแล้วว่าเห็นว่าเนื้อสดรายนี้อร่อยมากมีรสโอชะมากมีการสัมผัส ด, ดีเอาอกเอาใจดีมากเป็นพิเศษ ถ้าท่านก็คิดว่าทําไมคิดว่าเป็นเนื้อสดท้าขายท่านจะรับไม่เป็นพัญญาแต่เมื่อออกมาแล้วมาทํางานแล้วมีคนถามว่าต้องการไปต้องการไปบ้านนั้นอีกไหมถ้านก็บอกว่าเวลานี้มันหมดความรู้สึกความต้องการคนรายนั้นกับสถานที่นั้นไม่มีอีกแล้วอันนี้อจจัศจรรย์ <c oughs> แต่เรื่องนี้ไม่เป็นไรเขภาภัยบรรดาท่านพูดไว้ใส่กเ็เอยไม่มากเพราก่อแห้งจัดแต่เรื่องนี้ไม่สําคัญที่ไม่ต้องการแต่ส่วนสําคัญนี้ว่าคนสบายคนปลอดภัยพ้นจากภัยมาได้แล้วท่านไม่เสียไม่เสียงานท่าใดการไม่เสียประวัติบรรดาบิดาของท่านในตํารวจคนนั้นก็มีความสุขญาติน้องก็มีความสุข เสริมสีก็มีความอิ่มหนำส่ำราญสดชื่นเพราะทำงานได้ผลแต่ว่าท่านที่ต้องรับโทษคือกรมหลวงยุพหนสำหรับอาตมาเองไดเคยพบ ก, กับท่านทุกคืนเวลาทำใจไปสมาธินิดต่อยทุกงันนั่งๆั่งอยู่จิตไปสมาธินิดต่อยพอนึกถึงท่านก็เห็นท่านท่านจะมาบางครั้งท่านจะมาในชุดแต่งขาวบ้าง บางครั้งท่านมาในชุดเต็มยศคนอ่านเรือบ้างบางครั้งก็เห็นท่านในในระดับยศคลเอกแต่ปกติเขาอาหานเหลือ <c oughs> ขอร้องอะไรท่านก็นช่วยทุกอย่างแต่ส่วนที่มีสำั์ก็มาบอกด้วยอารมการขัดข้องว่าวันนั้นวันนี้ใครจะกังวลใครจะแกล้งบางใครจะขัดข้องบางจะดีบ้างเขาจะชมบ้าง แต่ให้ก็เตือนบอกเขาว่าเือเป็นเรื่องธรรมดาว่าคนที่เกิดมาทุกคนมันต้องตายทั้งหมดมันชมเรามันก็ตายมันติเราแล้วก็ตายมันขอทษมันติเรามันก็ตายเราชอบคําชมเราก็ตายเราไม่นิยมคําติเราก็ตายท่านเตือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างอย่าสนใจในมัน น, นัติโลเกอานินิโตท่านบอกว่าคนที่ไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกโดยคนที่นินทาก็ดีสันเสริญก็ดีไม่มีอะไรเป็นผลเรารับคํานินทากุ่มปเปล่าๆไม่มีอะไรเป็นผลถ้าเราดีแล้วเขานินทาว่าชั่วเราก็ไม่ชั่วไปตามถ้าเราเป็นคนดีถ้าเราเป็นคนชั่วเขาสันเสริญว่าเราดีแล้วก็มาดีไปตามอย่าสนใจท่านเตือน แต่หลังจากนายตำรวจออกมาแล้วก็ปรากฏว่าไม่เห็นหน้านตำรวจขอนไปนานสิบห้าวันหาอย่างไงก็ไม่พบเชิญยังไงก็ไม่มาพอทุกวันท่านเคยมาคุยเป็นเพื่อนทําให้เธอไม่หมดความเหงาตามโกติชอบนั่งคนเดียวเวลาไหนอยู่คนเดียวเวลานั้นเป็นสุขขณะที่อยู่คนเดียวก็คุยกับเทวดาบ้างคุยกับพรมบ้างมีความสุขดี ไม่หนัก อ, อกหนักใจเหมือนคนกับคนเมื่อวันที่สิบหกข้ามาถึงก็พบท่านกรมยิ่พรในเครื่องแบบคนเรยอเอกเต็มยศขออันเหลอเจาเรียนถามนว่าท่านหายหายไปไหนมาท่านก็ตอบว่าผมถูกกักบริเวณสิบห้าวันเรเรียนถามนว่าท่านเป็นเทวดา แล้วใคร ย, ยากกักบริเวณท่านก็ท่านก็บอกว่าท้าววิรุฬหกเรื่อเป็นเจ้านายอยู่ด้านที่ใต้ของโลกท่านบอกว่าถามว่ากักเรื่องอะไรถ้าบอกว่ามีโทษในฐานะที่เข้าประเดท่องของโสเพณีท่านถามว่าเพราะอะไรท่านบอกว่าอี้โหยท่านไม่เรียกเสริมสีท่านเรียกโขยอี้โขยมันขอร้องผมอ่ะ ให้ไปช่วยนายตำรวจคนนั้นให้ผมก็สงสารมันจะไม่ช่วยมันก็จะเสียชื่อมันก็เรียกผมสมเด็จเตีย่ยสมเด็จเตีย่ยแต่เตี่ยก็มีมีความเห็นใจสงสารโลกเมื่อจะเข้าไปมันก็ผิดระเบียบแต่ขั้นจะเข้าไปจะไม่เข้าไปเลยนายตำรวจคนนั้นก็จะไม่ปลอดภัยต้องถูกออก แต่เกณฑ์แตาบุญบรารมีเของเธอยังไม่ควรจะออกต้องดูกันก่อนถ้บาบอกการจะช่วยต้องดูทั้งบุญบรารมีด้วยไม่ใช่การช่วยส่งเดชถ้าคนเลวไม่มีบุญไม่มีบารมีมอยู่เลยไม่มีอะไรหนุนหลังไม่มีบุญหนุนหลังยืมเบื้องหน้าแล้วก็ช่วยจะไม่ได้นี่พันผู้ฟังฟังแล้วก็จําไม่ได้นะก็เลยถามถค่ว่าถ้าบุญเก่าเขาไม่มีบุญใหม่เขาทําไว้ แต่ทำไว้ก่อนที่จะบุญถือว่าเป็นคนมีบุญไหมเขาก็บอกตั้นแหละก็เป็นบุญความดีที่ก็าทำไว้ก่อนก่อนที่เขาจะชั่วฉะนั้นถ้าใครเขาทําบุญดีๆรู้จักการให้ทานรู้จักการรักษาศีลรู้จักการเจริญภาวนาหรือตั้งตนอยู่ในภรมิฐานสี่บ้างสังวปุถุสีบ้า ง, ง, าางอยู่ในศีลบ้างอยู่ในธรรมบ้างตั้งใจชอบฟังเทศบ้างอย่างนี้ช่วยสะดวก แต่คนไร้ความดีไร้ศีลไร้ธรรมผมก็ขอยืนยันว่าคุณช่วยไม่ได้แต่นายตำรวจคนนี้ชาติก่อนก็ทําบุญไว้ดีชาตินี้ก็ก็ทําดีเขาเป็นนายตํำรวจมือปราบแต่เขาปราบคนผิดคนที่ทําความเดือดร้อนให้เกิดกับชาวบ้านกับทรัพย์สินชาวบ้า น, นเมื่อเขาช่วยคนก็มีความสุขเขจัดว่าเป็นบุญบา ร, รมีส่วนหนึ่งที่เขาทําทานเขาก็าให้สิงก็เคยรักษาแต่เวลากา่อน ใ้ภาวนาี่เขาภาวนาการปืนนึกถึงพระก็ถือว่าใช้ได้จำมันยญาตโยมนะภาวนาการปืนภาวนาอาวุธถือว่าเป็นพระสบยใจึกนึกก็ถือถือว่าถึงพปถือว่านึกถึงพระใช้ได้คอไม่ดีมากกระรวงความว่าอาศัยที่เขาต้องช่วยท่านผู้นั้นท่านเลยถูกกักบริเวณสิบห้าวันวันนี้ปลอดแล้วผมคิดถึงท่าน ท่านคิดถึงผมผมก็ทราบท่านขอร้องให้ผมมาผมก็ทราบแต่ผมมาไม่ได้ถูกกัก บ, บริเวณรวมความว่าท่านขอร้องว่าต่อที่นี้ไปขอให้บอกทุกคนได้ทราบว่าทุกคนเวลาจะบนท่านเรื่องการเข้าส่องขอเลิกไม่ช่วยใครและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่จะบนคอยปฏิบัติตามระเบียบตามที่กล่าวมาแล้วอย่าโกงกัน คือรวมความว่าเรื่องของกรมหลวงยุพนยังไม่หมดจะเก็บไว้ต่อตอนต่อต่อไปเรื่องของผีชัยนาถจะต้องใช้เวลาหลายตอนบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ธิวดานี่ยเที่วก็ได้ชัยนาจะนึกว่าท่านอยู่เฉพาะชัยนาถนะความจริงนี่เรื่องนิธรรมะกลุมมาแล้วนะจะไม่พูดธรรมะตอนหลังเมื่อกี้ผ่านมาแล้วนาถิโลเกานิโต้เท่านิทานเสน่ห์นี่เป็นธรรมะรายการธรรมะเอากันวันนั้หน่อย ว่าก็ถึงกองหลวงยาพรว่าทําไมเจ้าจะต้องแก้บนหรือว่าลาบนกันก่อนสองโมงเช้าสิบนาทีแล้วก่อนสามโมงเย็นสิบนาทีท่านบอกว่าคนที่มีสภาวธรามสำคัญที่เป็นเพื่อนกันเวลานี้คือจะปลั่งและจะปลบางคนก็เรียกปลั่งบางคนก็เรียกปลเวลาที่ท่านพูดวันนั้นเขาอยู่ด้วยกันทั้งหมดท่านปลังปล่งท่านปลท่านสิงข o r อ, อะไรพวกเนี้ยท่านทองดีแล้วก็มีเยอะแล้วก็หลวงพ่อ แต่กชีนหน้าบอกเจ้าปลังนี่แหละสําคัญมากเวลาเขาบ่นผมผมทํางานเวลาเขาแก้บน่นไอ้ปลังมันไม่ทําเวลาเขาบน่นเขาทําำลายผมทำคนเดียวแต่ไอ้ปลังนี่มันไปรับรับการแก้บ่นซะเองเวลาเขาเชิญผมผมมาเจ้าปลังมันว่าไปเรียบร้อยแล้วก็ถามว่าเทวดาโกงกันได้หรืออย่างนี้มันเป็นอาธินาทาน ท่านบอกว่าวิสาสาปรมายาติการคุ้นเคยกันถือว่าเป็นญาติสนิทนี่จะปล่งนะี่จะปล่อยนะมันเป็นเพื่อนคู่หูเลยนะสิงของนี่ก็เหมือนกันเป็นเพื่อนกันคู่หูกันมีอะไรก็กินด้วยกันใช้ด้วยกันแต่ความจริงเทวดามีของทิพย์ถือว่าท่านเป็นเพื่อนกันท่ามีสิทธิ์ร่วมกันฉะนั้นเวลาเขาแก่ บ, บนเจ้าปลัองมันก็โชยอกาศ ในฐานะที่บรรดาเป็น ญ, ญาสนิทกันเองกับผมมันก็เลยเอาจะทุกอย่างแต่ผมก็ต้องทำงานเลยฉันไปถามปลังถามปลังมีหน้าที่อะไรผมเป็นดิวดาพิเศษครับมีหน้าที่ช่วยขโมยลักของแล้วก็มีหน้าที่รับติดตามของที่ขโมยลักไปรวมความว่าถ้าใครจะขโมยของถ้าบนผม ผมรับช่วยมันขโมยได้แล้วก็เวลาเขาบนติดติดตามขึ้นบนผมผมก็รับช่อติดตามมันได้ก็เลยบอกว่านั่นมันผิดศีล น, นะมันละเมิดศีลถ้าบอกไม่ใช่มันต้องเฉพาะบคุคคลครับผนกันทุกคนไม่ได้ผลมันต้องเป็นคนประเภทที่ว่าชาตก่อนเคยยักยอกของเขาไปชาตินี้ต้องตอบสนองด้วยการขอหาย <c oughs> แต่ในชาตก่อนยักยอกไปแล้วไม่ได้ไปเลยคืนให้เดี๋ยวของเขาแปลว่าเขาจับได้เขาก็ เ, าเอามาเขาคืนได้เวลาชาตินี้เหมือนกันและขอหายตามได้พ้นช่วยตามนี้ครับอร บ, บันดาท่านผู้ฟังมองดูเวลาหมดแล้วและเวลาสิบปีนาทีขอลากร อ, อความสุขดิ์สิทธิวัดพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดบรรดาธิพุทธสาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี